247ศึกษากรรมจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพระเจ้ากรรมพาให้เกิดสุขเกิดทุกกรรมพาให้เกิดดีเกิดชั่วโดยเจ้าตัวเป็นผู้ทําเองผู้พิสูจน์ความจริงนี้ที่เป็นปรมาถธรรมเป็นโลกุตระ อย่างเป็นจริงก็จะเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าพระเจ้าหรือภาวตรีมูรติจริงแท้คืออย่างไรอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าใครจะพ้นทุกประเด็นนี้ยิ่งมีนัยยะสำคัญมากเพราะศาสนาพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอริยสัจ ที่คนปุถุชนยังยืดสุกมีทุกข์ที่เป็นโลกสามกามภพรูปพบอรูปพบกันอยู่ทั้งนั้นโดยเฉพาะสุกนี่แหละไม่สามารถรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่ายๆว่าสุกไม่ใช่อริยสัตว์สุกนั้นสุขขันลิกะสุกบวกอริกะคือสุกเทศสุกคืออุปาทาน แค่จริงแล้วสุขที่ปุ้ทุชนหลงเสพกันในโลกนั้นเป็นสุขเท็จสุขคันอิกะเท่ากับสุขบวกอลิกะเท่ากับเท็จหลงเป็นความสุขที่จริงเป็นสุขที่ติดที่หลงยึดอยู่ในอนุสัยไม่สิ้นรสยินดีชอบใจไม่หายจางไปสิ้นเศษทุลีสุขได้ง่ายๆ แม้จะไม่วนกลับไปมีทุกข์เพราะดิ้นรนกระสัญญากสิ้นการสแสวงหาแล้วก็ยังไม่สิ้นอัตตาแห่งสุ ก, กันอย่างสิ้นเกลี้ยงได้ไม่เร็วเลยอารมณ์สุกกว่าจะสิ้นความเป็นอัตตาจากอนุสัยกรรมนี้เองที่จะทำให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอนุสัย และความเป็นอัตตาจนถึงขั้นบรมอัตตาซึ่งก็คือปรมามารย์หรือพระเจ้านั่นเองเพราะผู้สามมาทิชีแล้วปฏิบัติด้วยกรรมคือการกระทมของตนเองจึงจะเกิดผลของกรรมที่เป็นผู้สามารถไม่ทำบาปใดๆได้เด็ดขาดสัพภาพปาปัสสะอาการะนัง เป็นผู้ทาแต่ดีให้ถึงพร้อมกุศลสูปะสำปะทาได้สำเร็จเสร็จจบชนิดเที่ยงแท้ย่างยืนตลอดกาลไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วไม่มีอะไรมาหาักล้างได้ไม่กลับกรรมเริบสำเร็จเด็ดขาดสุกตาทุกตานางกรรมมานางผลาังวิปากโก พระไตรปิฎกเล่ม14ข้อส5 3สัมมาทิฏฐิข้อสเจืองสามารถทำจิตให้สะอาดสกิตตปริโยทะปะนังปราศจากผีมารสัตว์นรกซาตานได้ด้วยตนเองสำเร็จเด็ดขาดมีอำนาจเหนือผีมารหรือซาตานได้จริงในตนเอง โดยไม่ต้องมีใครช่วยทำเองได้เอง